สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิอภิบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่สามร้อยสี่เรื่องคําอธิษฐานของพระเยซูตอนที่เจ็ดสิบเก้าขออย่านําข้าพพงเข้าไปในการทดลองพี่น้องทับเช้าวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์เมื่อหลายวันที่ผ่านมานั้นเราอยู่ในหัวข้อเดียวกันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการทดลองครับและเมื่อวานนี้ได้พูดถึงความจริงห้าประการซึ่งเป็นความจริงที่สําคัญมาก เกี่ยวกับการทดลองประการแรกนะครับพระเจ้าอนุญาตให้บุตรของพระองค์ถูกทดลองได้ประการที่สองคือบุตรของพระเจ้าล้มลงได้ซึ่งเราจะพูดในวันนี้ผมขอทบทวนนะครับพระเจ้าอนุญาตให้บุตรของพระองค์ถูกทดลองได้ซึ่งการที่พระเจ้าถูกอนุญาตให้บุตรของพระองค์ถูกทดลองได้เป็นท่าทีที่เกิดการเกรงกลัวต่อบาปของพวกเรา นะครับเป็นเสียงร้องของหัวใจที่เคยได้รับการเสียหายจากความบาปเรากําลังอธิษฐานขอในอนาคตที่เราจะไม่เข้าไปอยู่ในการทดลองทดสอบของพระเจ้าและในขณะเดียวกันครับมันก็ไม่กลายเป็นการล่อลวงของมารซาตานและประการที่สองก็คือว่าเรากําลังขอพระเจ้าอย่านําเราเข้าไปในการทดลองที่ใหญ่เกินไปสําหรับเราเกรงว่าเราจะแพ้เพราะว่าชีวิตนั้นก็เป็นการทดสอบทดลองการเลือกของเรา เมื่อเราถูกทดสอบนั้นเรากําลังอธิษฐานขอชัยชนะครับพี่น้องพี่น้องครับในเช้าวันนี้เรากําลังพูดถึงประการที่สองซึ่งเป็นความจริงก็คือบุตรของพระเจ้านั้นอาจจะลม้มลงได้พี่น้องครับครูบใช้พระเจ้าของคนหนึ่งนั้นคนหนึ่งนั้นเคยเทศอย่างนี้ครับว่าเราไม่จําเป็นต้องอธิษฐานว่าพระเจ้าขออย่านำเข้ากระบวนการทดลองเพราะว่าเมื่อเราพูดอย่างนั้นนะครับเราก็ เหมือนกับว่าเรากําลังพยายามที่จะแส่หรือดันตัวเองเข้าไปอยู่ในการทดลองเหมือนกับว่าเรากําลังอธิบายได้ว่าข้าพเจ้าหาการทดลองได้เองพี่น้องครับนี่คือความหยิ่งยโสครับเราต้องระวังครับอย่าให้เราเห็นถึงความไม่จําเป็นเห็นถึงความไม่สําคัญของคําอนิษฐานคำคำนี้ ว่าขออย่านำข้าพพงเข้าไปในการทดลองพี่น้องครับเรานะครับต้องอย่านึกว่าเราเข้มแข็งเราต้องอย่านึกว่าเราสามารถที่จะเข้าหาการทดลองได้เองพึ่งในกำลังของเราเองเมื่อเราอธิฐานอย่างนี้นะครับเรายอมรับว่าผู้คนนั้นหลงห่างจากพระเจ้าได้หรือลูกของพระเจ้านั้นที่บังเกิดใหม่แล้วก็ตามสามารถหลงห่างจากพระเจ้าได้เพราะว่ามนุษย์นั้นถูกดึงออกไปโดยธรรมชาติบาป ของตัวเองมนุษย์นั้นมีตัณหามีความต้องการที่จะค้านกับพระเจ้าเหมือนกับว่ามนุษย์นั้นมีสองคนอยู่ในตัวเองครับเด็กเกิดมานะครับมีคนบอกว่าเป็นทั้งโฉมงามและอสูรในตัวเดียวกันในคนเดียวกันในฐานะโฉมงามนั้นเด็กนั้นมีความปรารถนาอย่างมากที่จะรู้จักและให้เกียรติพระเจ้าในชีวิตของเขาเด็กๆนั้นในอีกด้านหนึ่งก็ยังเป็นอสูรด้วยธรรมชาติ ทำลายล้างที่จะทำลายตัวเองและทุกสิ่งที่เขาแตะต้องหรือทุกสิ่งที่แตะต้องเขาพี่น้องครับนี่คือเรียกว่าความดีกับความร้ายอยู่ในคนเดียวกันพี่น้องสังเกตดูนะครับว่าหลายครั้งทีเดียวเราเห็นว่าเด็กฝาแฝดนั้นคนหนึ่งก็กลายเป็นนักดนตรีแต่อีกคนหนึ่งติดเหล้าทำลายตัวเองหรือแม้แต่เด็กหญิงฝาแฝดนั้นคนหนึ่งก็กลายเป็นครูอีกคนหนึ่งก็มีชีวิตที่เหลวแหลกใช้การไม่ได้ พี่น้องครับเด็กทุกคนรวมทั้งเราด้วยก็มีอํานาจสองอย่างอยู่ข้างในครับเรียกว่าธรรมชาติดีและธรรมชาติชั่วนะครับเรามีสองอย่างอยู่ข้างในก็คือธรรมชาติดีและธรรมชาติชั่วซึ่งเราพบความจริงในพระวจนะของพระเจ้าเอเฟซัสบทที่สี่ข้อยีิบสองถึงยีิบสี่นะครับเอเฟซัสบทที่สี่ข้อยีิบสองถึงยีิบสี่โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้า ท่านจงทิ้งตัวเก่าของท่านซึ่งคู่กับวิถีชีวิตเดิมนั้นเสียอันจะเสื่อมเสียไปสู่ความตายตามตัณหาอันวิ้ที่หลอกลวงและจงให้วิญญาณจิตของท่านเปลี่ยนใหม่และให้ท่านสวมสภาพใหม่ซึ่งทรงสร้างขึ้นใหม่ตามแบบของพระเจ้าในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริงที่นี่พูดถึงตัวเก่านะครับและตัวใหม่หรือชีวิตเก่าและชีวิตใหม่นะครับสองชีวิตนั้นอยู่ในคนคนเดียวกัน ก็คือพวกเราทั้งหลายนะครับสภาพเก่านะครับซึ่งคู่กับวิถีเดิมชีวิตเดิมนะครับเชื่อมเสียครับและนําไปสู่ความตายตามตัณหาอันที่ดอกลวงแต่วิญญาณจิตของเราหรือสภาพใหม่นั้นนะครับได้การเปลี่ยนใหม่แล้วเพราะเราอยู่ในพระเยสุขิดเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดที่อยู่ในเพรเยสุขิดผู้นั้นก็เป็นที่ถูกสร้างใหม่แล้วพี่น้องครับเราเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่สวมชั้นบใหม่ แต่ตัวเก่าของเรายังตายไม่สนิทครับยังตายไปไม่หมดเพราะฉะนั้นสุขภาพใหม่แล้วก็จริงถูกสร้างขึ้นใหม่แล้วก็จริงนะครับเราสามารถที่จะเกิดการชักจูงชักนำด้วยตันหาตัวเก่าของเรานำไปทำความบาปได้พี่น้องครับเรามีสองครับอำนาจหรืออานาจสองอย่างอยู่ภายในเราเรียกว่าธรรมชาติดีและธรรมชาติชั่ว เราทุกคนนั้นสามารถควบคุมธรรมชาติทั้งสองอย่างได้แต่เลือกนะครับแะเลือกธรรมชาตินั้นหรือจะกำหนดจุดหมายในชีวิตของเราแต่ละคนได้พี่น้องครับเรามีแรงแรงดึงดูดภายในที่จะทำลายตัวเองและเรามีแรงแรงดึงดูดนะครับซึ่งอยากจะทำตามน้ํมัไทยของพระเจ้าพี่น้องครับซาตานนั้นได้วางกับดักวางหลุมนะครับเพื่อที่จะดักผู้เชื่อทุกคน เป็นการล่อลวงเป็นการทดลองอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อทำให้คนคนนั้นล้มลงกับดักนั้นจะมุ่งไปที่ความอ่อนแอของคนนั้นแต่เมื่อหล่อที่ฐานว่าขออย่านําข้าพงเข้าไป็นการทดลองเรากําลังขอพระเจ้าไม่นําเราเข้าไปในกับดักนะครับกับดักของมารซาตานหรือลุมพรางของมันพี่น้องครับในพระเจนะของพระเจ้านะครับย้อนเรียกกับดักนั้นว่าโลกครับ ยอนเรียกกับดักนั้นว่าโลกในพระธรรมหนึ่งยอนบทที่สองข้อสิบห้าสิบหกความว่าอย่ารักโลกนะครับความว่าโลกนี้หมายถึงระบบของโลกครับหรือสิ่งของในโลกเพราะว่าสารพัดซึ่งมีอยู่ในโลกคือตันหาของเนื้อหนังและตันหาของตาและความทะนงในย่าลาบยศไม่ได้เกิดมาจากพระบิดาแต่เกิดมาจากโลกพี่น้องครับเราเห็นนะครับว่าโลกนะครับ ก็คือระบบที่ย้อนนะครับใช้เปรียบเสมือนกับกับดักครับที่มารซาตานได้ขุดวางไว้เปรียบเสมือนกับลุมพรางนะครับที่ล่อเราให้เราตกลงไปนะครับโลกนี้หรือระบบของโลกนี้นะครับก็คือตันหาของเนื้อหนังตันหาของตาและความทนงในลาบยศพี่น้องครับในวันพรุ่งนี้เราจะพูดในรายละเอียดครับว่าตันหาของเนื้อหนังคืออะไรตันหาของตาคืออะไรและความทนงในลาบยศ นั่นคืออะไรแต่สิ่งสําคัญก็คือว่าเรารู้ครับว่าสิ่งเหล่านี้นั้นไม่ใช่เป็นน้ำมันไถ่ของพระเจ้าไม่ได้เกิดมาจากพ่อปีดาครับแต่เกิดมาจากโลกโลกที่จะดักจับเรานะครับไม่ใช่เป็นสถานที่ฝ่ายกายภาพหรือภูมิศาสตร์ครับแต่โลกในที่นี้นะครับเป็นเรื่องของจิตวิญญาณครับเรื่องของจริยธรรมเรื่องของศีลธรรมนะครับกับดักของเราไม่ใช่โลกของภูเขาต้นไม้มหาสมุทรหรือที่ราบ แต่กับดักของเราที่เรียกว่าโลกนั้นก็คือระบบความคิดครับระบบความคิดหรือระบบต่างๆของโลกนะครับโลกที่เป็นกับดักเป็นเหมือนกับโลกของเพลงที่มีอิทธิพลต่อวิธีคิดของเราหรือปรัชญาหรือาศาสนาหรือประสบการณ์อะไรต่างๆของผู้คนแม้กระทั่งคาสั่งสอนคาของบรรพบุรุษหรือคำตกทอดตามประเพณีในสังคมแต่ละสังคมนั้น โลกนี้เป็นกับดักครับและคำสอนของโลกก็เป็นกับดักและทำให้เกิดวิถีชีวิตนะครับเกิดความคิดทัศนคติเกิดไม d เ e ตเกิดเรืองต่างขึ้นมาซึ่งมีอิทธิพลต่อชีวิตของคนที่อยู่ในโลกและในขันเดียวกันขั้นก็มีชีวิตมีอิทธิพลต่อชีวิตของพวกเราทั้งหลายเช่นเดียวกันพี่น้องครับโลกของดนตรีนะครับก็มีนะครับมีดนตรีของโลก และมีดนตรีศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นของพระเจ้านะครับหรือเมื่อพระคัมภีร์กล่าวว่าอยารักโลกคัมภีร์บรรยายความคิดที่ต่อต้านนะครับบรรยายถึงความคิดที่ต่อต้านกับพระเจ้านะครับถ้าเรารักโลกเรากาลังอยู่คนละฝั่งกับพระเจ้าครับเมื่อเรารักโลกเราอยู่คนละฝั่งกับพระวจนะของพระเจ้าประสบการณ์ที่ต่อต้านพระเจ้าและ การดำเนินชีวิตที่ข้ามกับแผนการของพระเจ้านั่นแหละครับคือโลกครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสไขขวนครับว่าโลกนั้นมีอิทธิพลในชีวิตของเราสักมากน้อยสักเท่าใหร่ถ้าจะตั้งคำถามก็คือว่าโลกนั้นโลกนี้นะครับหรือระบบของโลกนี้มีอิทธิพลต่อชีวิตของเราซึ่งเป็นชีวิตใหม่เป็นชีวิตที่อยู่ในพระเจ้าเป็นชีวิตสาวกเรามีสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่เป็นของโลก เป้าหมายสุดท้ายของเราก็คือว่าเปลี่ยนนะครับหรือลดเปอร์เซ็นต์ต่างต่างเหล่านั้นครับเปอร์เซ็นต์ของโลกนะครับตับเปลี่ยนมันให้การเปอร์เปอร์เซ็นต์ของชีวิตใหม่เปอร์เซ็นต์ของพระเจ้าเป็นนะครับอยากจะให้วันนี้ที่เราจะาทิฐฐานเป็นวันเริ่มต้นสัปดาห์ในการทำงานขอพระเจ้าช่วยเราทั้งหลายทุกคนนะครับที่จะเอาของเก่าทิท้งไปนะครับสวมสภาพใหม่ซึ่งเป็นของพระเจ้าอามน